ธรรมบรรยายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่หกปฏิบัติมากทราบซึ้งมากปฏิบัติน้อยทราบซึ้งน้อยเมื่อเราภาวนาให้เอาใจเป็นดักรู้อย่าไปรู้ที่คนอื่นที่อื่นให้รู้ตัวมากๆ เอาความรู้สึกสดๆเป็นที่ตั้งรู้เข้าไปในตัวเองแล้วบ่มความรู้ตัวมากๆเหมือนแม่ไก่กุกไข่หรือชาวนาชาวสวนเก็บผลไม้ดิบมาบ่มให้สุกหอมหวานเมื่อบ่มรู้ดูใจนานๆเมื่อมันสุกงอมหอมหวานแล้วจะรู้เองว่าธรรมะมีรสชาติอย่างไรเดี๋ยวนี้ เราอ่านปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับที่พวกเซนเขาเรียกว่าสำรวจรายการอาหารสำรวจจนน้ำลายสอแต่ยังไม่ได้ลิมรสเพราะเรามมวแต่คิดเรื่องธรรมะตอนที่ผมเป็นพระอยู่ได้สนทนากับเพื่อนพระเรื่องพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์กันจนสว่างคาตาไม่รู้กี่คืนแต่ไม่รู้เรื่องภาวนาไม่รู้จักการภาวนา อย่างนั้นจะได้อะไรละ่ะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าเหมือนคนที่เลี้ยงบัวคนอื่นโดยที่ตนไม่ได้ดื่มนมบัวดังนั้นเราอย่าสนใจสิ่งอื่นการปฏิบัติธรรมนี้ต้องโดดเดี่ยวแต่อย่าแตกแยกจากคนอื่นให้โดดเดี่ยวแต่อย่าปรีกเปลี่ยวออกไปเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงแต่ดูใจตัว ยิ่งโดดเดี่ยวได้ดีเท่าไรก็จะรู้ตัวดีเท่านั้นปฏิบัติถูกต้องสัมผัสเท่าไรก็จะรู้เท่านั้นปฏิบัติมากจะรู้มากทราบซึ้งในธรรมะมากปฏิบัติน้อยก็จะทราบซึ้งน้อยคนเราถ้าไม่ทราบซึ้งในธรรมะแล้วต้องทราบซึ้งในโลกแน่ทั้งเรื่องสมบัติพัสถุานเรื่องอาหารเช้า อาหารเย็นมือนี้จะกินอะไรตัววุ่นวายติดรถตลวนแล้วแต่แสดงว่าเราได้หลุดออกมาจากความรู้สึกตัวทั้งสิ้นเมื่อเราจงกลมบ่มรู้ดูใจใช้สถานที่สงัดเงียบโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้ตัวเท่านั้นไม่ช้าไม่นานธรรมชาติจะขัดเกลาเราจะรู้สึกถึงความเกลี่ยงเกลียงความสากลสะถูนหายไป เช่นคำพูดหยาบๆจะไม่ค่อยหลุดออกจากผู้รู้ตัวการกระทำที่หยาบจะไม่ออกมาในที่สุดก็ประนีตขึ้นการงับประตูก็ดีการล้างถ้วยล้างชามและการสวมเสื้อก็ดีเริ่มแปลสภาพไปเรียกว่าเนียนขึ้นก็ได้ลึกซึ้งขึ้นในตัวเองซาบซึ้งในชีวิตขึ้นเรียกร้องต้องการจากผู้อื่นน้อยลง อย่าไปเรียกร้องอะไรจากแม่กลัวที่นี่มากนะักนะสงสารเขาเขาเป็นชาวบ้านป่าเราเป็นชาวเมืองไปบอกเขาว่าวันนี้จะกินผัดถั่วไข่เจียวเขาทำให้ไม่ได้หรอกถึงแม้ได้ก็ไม่สมควรอยู่ดีตรงกันข้ามคุณต้องช่วยเขาด้วยซ้าไปรู้ตัวมากๆแล้วจะต้องการน้อยถ้าเราไม่รู้สึกตัวโลกนี้จะกลายเป็นแหล่งที่เราเกิดมา เพียงเพื่อเรียกร้องรุมกันแทะถึงทั้งโลกให้หาที่จงกลมของตัวไปเดินในที่ตัวเองเคยเดินแล้วสงัดเงียบดีโดดเดียวรู้สึกตัวทำได้อย่างนี้เรื่อยๆไม่ช้าไม่นานเราจะพบว่าเรากลายเป็นบุคคลที่เริ่มนับถือตนเองเชื่อมั่นในตนเองมีความรักชีวิตและรู้จักปกป้องชีวิตคนอื่นด้วยศีล สมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นเองเมื่อรู้ตัวมากๆความรู้สึกตัวนั้นเองทําให้เราปกติจิตใจไม่โลเลไม่ท้อถอยง่ายๆสติปัญญาหนักแน่นและเพิ่มพูนขึ้นความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ก็มีขึ้นอย่างง่ายดายตามธรรมดาเราอยากเมตตาผู้อื่นแต่พอเราเมตตาแล้วเขาไม่ยอมให้เมตตา เราก็บันดาลโทสะใจเป็นเสียอย่างนั้นหาที่เดินจงกรมหรือนั่งพักอย่างโดดเดี่ยวทำให้ตื่นตัวตื่นกายตื่นจิตรู้กายรู้จิตขับไล่ความง่วงออกไปเคลื่อนมือเป็นจังหวะอย่าโม่ประดิษฐ์ประดอยให้ทำง่ายๆเคลื่อนแล้วหยุดทุกครั้งที่หยุดมันจะหยุดเข้าไปในเลือดเนื้อในวิญญาณ หยุดโลกทั้งโลกเมื่อเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้ทำอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผย อ, อย่างแจ่มแจ้งในการภาวนานั้นอยู่ดีๆจะให้ถึงที่สุดเลยย่อมไม่ได้ฟังผมพูดแล้วทิ้งให้หมดให้เหลือแต่ความรู้ตัวอย่างเดียวแล้วบากบั่นรักษาให้ต่อเนื่องก็พอครั้นได้วาระอันเหมาะสม ก็จะคลี่คลายหายสงสัยไปเองเนื่องในสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4ที่เริ่มด้วยบทที่ว่าเห็นกายในกายนี้ตามความเข้าใจของผมคือเห็นกายที่กายนั่นเองไม่ใช่เห็นกายในความคิดไม่ใช่ภาพสะท้อนในความคิดแต่เป็นการเห็นแบบสัมผัส ความหมายส่วนลึกของสติก็คือมีการเห็นไม่ใช่การคิดเอาตรงนี้สำคัญเป็นการแยกแยะว่าวิธีที่เราพูดกันว่ารู้บ้างเห็นบ้างคิดบ้างพิจารณาบ้างนั้นมีหลากหลายมุมแต่และมุมอาจสร้างปัญหาซ้อนขึ้นมาเช่นการคิดซ้อนคิดอะไรเหล่านี้สำหรับหลวงพ่อเทียน ท่านพูดคำว่ารู้รู้นี้ยังไม่เห็นตอนรู้ยังอยู่ภายใต้อำนาจของความคิดแม้ความรู้ตัวก็ยังอยู่ภายใต้การครอบงำของความคิดอันนี้สำคัญเมื่อเห็นนั้นเห็นโดยอาการเมื่อรู้นั้นรู้โดยความคิดยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดฉะนั้นการปฏิบัติที่รู้ตัวนี้ จึงมีปัญหาอยู่ในตัวมันเองเมื่อเราไม่รู้ตัวคือก่อนนี้เราลืมตัวไปเรื่อยๆตามสบายตามที่กิเลส ช, ชักนาแต่พอรู้ตัวขึ้นมาก็เกิดปัญหาในตัวมันเองเพราะเป็นการรู้ภายใต้ความคิดดังนั้นพอเริ่มรู้ตัวก็เริ่มสร้างปัญหาให้ตัวมันเองแต่เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่การสิ้นปัญหา ก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมจะปูพื้นความเข้าใจของชาวพุทธไทยทั่วไปต่อความหมายของสติโดยเฉพาะบรรยากาศสมัยนี้กับการโฆษณาเรื่องสติทุกสำนักและนิกายล้วนนำเสนอบทบาทของสติคล้ายๆจะกลายเป็นแฟชั่นขึ้นมาแล้วที่ผิดพลาดตามที่ผมเข้าใจก็ตรงที่ไปเน้นว่าสติเท่านั้นเป็นคำตอบ สตินำไปสู่ความหลุดพ้นสติทำให้เกิดอะไรต่อมิอะไรจนกระทั่งถึงที่สุดทุกข์มันไม่ถึงกับผิดพลาดแต่ก็ไม่ถูกต้องบริบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นสิ่งที่ดีแต่สตินั้นละเวียนไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำอะไรโดยขาดสตินั้นไม่ดีพอมีสติก็ดีขึ้นแต่สตินั้น ละเวณไม่ได้สติไม่มีกำลังที่จะละเวณได้เหมือนเรามีราคะหรือแม้แต่โกรธไม่พอใจอะไรเราก็รู้ตัวแต่ว่ามันไม่หยุดทั้งที่เรารู้อันนี้คือข้อเท็จจริงฉะนั้นการโฆษณาว่าสติเท่านั้นเป็นคำตอบจึงทำให้ฟั่นเฟือนถ้าพูดว่าสติเท่านั้นเท่ากับบอกว่า เรื่องอื่นไม่สำคัญซึ่งไม่ถูกขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้สำคัญตามวาระบางพวกบอกว่าศีลไม่สาคัญเท่าสติสติสำคัญที่สุดอย่างอื่นไม่สำคัญไม่ต้องรักษาศีลก็ได้พูดอย่างนี้เป็นการพูดกันเองเฉพาะรายโดยไม่เอื้อเฟือผู้ฟังแต่ธรรมะที่จะเกื้อกูลต่อสังคม ต่อโลกต่อสาธารณชนนี้ต้องแสดงองคุณสัมพันธ์ของธรรมะอันนี้สำคัญพระภิกษุหรือผู้แสดงธรรมที่มีจิตใจละเอียดมีความกรุณานั้นจะไม่ตัดละตอนทั้งนี้เพื่อเกื้อกูลแก่สาธารณชนและไม่ดูถูกหรือไม่เข้าข้างผู้ฟังแต่แสดงธรรมอย่างรอบครอบ ผมนึกถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้าเมื่อคราวส่งพระสาวบกห0สิรูปไปเพื่อเกื้อกูลโลกพระองค์ไม่ได้สั่งให้ไปประกาศลทัทธิหรือปรัชญาสำนักใหม่ที่พระองค์เป็นผู้เริ่มคิดขึ้นแต่รับสั่งให้ประกาศพรหมจาร์ตรัสว่าเธอและเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ขอให้อาศัยความปราณีอันนี้ อาศยอิสราภาพที่ตัวเองได้สัมผัสได้ลิ้มแล้วได้เอ็นดูเพื่อเกื้อกูลประโยชน์แก่โลกแก่เทวดาแก่สัตว์ทุกระดับชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำที่ผมจะเน้นก็คือความหมายของพรหมจรรย์เรื่องนี้สำคัญเพราะว่ารางเรือนไปจากชาวพุทธทุกวันนี้ที่มองเป็นเรื่องผู้หญิงโน้น ที่จริงพรหมจรรย์นี้ทั้งหญิงชายต้องปฏิบัติทั้งพระทั้งโยมต้องปฏิบัติเพราะความหมายของพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเมื่อเรามองศีลสมาธิปัญญานี้เรามองแยกส่วนเป็นศีลพวกหนึ่งเป็นสมาธิพวกหนึ่งเป็นปัญญาพวกหนึ่งอันนี้เป็นวิธีคิดวิธีศึกษาและสารวจ ลำพังศีลไม่เรียกพรหมจรรย์สมัยก่อนหน้าพระพุทธเจ้าเขาเคร่งศีลยิ่งกว่าสมัยพระพุทธเจ้าแล้วมีศีลประหลาดประหลาดด้วยศีลทรมานตนศีลออดลำพังศีลไม่เรียกพรหมจรรย์ในศาสนานี้คือพุทธศาสนาเรื่องสมาธิก็เป็นเรื่องฝึกจิตชั้นสูงที่เขาทำกันอยู่ปัญญาก็เหมือนกัน ในสมัยอุปนิสัตต์ปัญญาของชมพูทวีปหรือของโลกก็ว่าได้ได้ขึ้นถึงระดับสูงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ภายใต้บรรยากาศภูมิปัญญาของอุปนิษัตต์ภูมิปัญญาว่าเรากับจักรวาลเป็นอันเดียวกันอัตมันกับพรหมันเป็นอันเดียวกันภูมิปัญญานี้ครอบคลุมมาจนถึงทุกวันนี้ จีนก็บรรลุถึงภูมิปัญญานี้แล้วอันนี้เป็นยอดสุดของภูมิปัญญาในเชิงของปริยัติลำพังภูมิปัญญาที่ว่านี้ยังไม่เป็นพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงตรงนี้ผมจะนำก้าสู่การวิเคราะห์ว่ามันสำคัญอย่างไรต่อสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือตัวนำไปสู่การสิ้นสุดพรหมจรรย์ น, นาไปสู่ความสมบูรณ์ของปัญญา ที่ท่านผู้รู้กล่าวว่าศีลอันใดสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นศีลอันใดที่ไม่มีสมาธิอยู่ในนั้นไม่เกี่ยวกับปัญญานั้นไม่ใช่ศีลในพุทธศาสนาบางพวกเจาะจงไปที่ภูมิปัญญาเลยโดยที่ไม่มีองคุณอื่นรองรับบางพวก เชื่อมั่นว่าศีลจะนำไปสู่ปัญญาแล้วหลุดพ้นได้ที่เราเรียกพรหมจรรย์นี้จุดประกายขึ้นแล้วถูกหมุนให้เจริญให้แผ่ไปได้เราจึงโยงถึงสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นกายในกายและอธิบายขยายความว่าเมื่อเธอเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าก็รู้นี้เราทำความรู้จักง่ายๆ จะนั่งจะลุกในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ก็มีอาการรู้ตัวเหยียดออกคู้เข้านี้พระที่เรียนกรรมฐานจะเข้าใจดีแต่ประโยคถัดมาคือแต่ว่าเธอนั้นถือเอากายสักแต่ว่าเป็นที่ตั้งของการรู้เธอนั้นไม่ยินดียินร้ายในโลกทั้งผองมีเนื้อความเป็นท่อนๆ อ, อย่างนี้ เนือความสามท่อนนี้โดยอัถะนั้นเล่งไปที่การกระทำอย่างเดียวที่เบ็ดเสร็จด้วยองคุณเหล่านี้แต่เมื่ออธิบายตามหลักเมื่อเคลื่อนมือก็รู้คูเข้าก็รู้ก้มก็รู้เงยก็ ร, กรู้นี่ท่อนหนึ่งยังมีองคุณอีกด้านหนึ่งคือความรู้สึกแต่ว่าเธอนั้นถือเอากายศักแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งการรู้ แล้วก็ไม่ยินดียินร้ายต่อโลกทั้งผองคือกรรมโลกรูประโลกและอลรูปะโลกทีนี้ย้อนมาดูผู้รู้ท่านหนึ่งคือหลวงพ่อเทียนท่านบอกให้รู้สึกขณะที่พลิกมือเคลื่อนมือให้รู้คูเข้าให้รู้แล้วยังไปสู่อิริยาบทย่อยกับพริบตาให้รู้ก้มหน้าเหงื่อหน้าให้รู้ กลืนน้ำลายให้รู้พูดให้รู้เงียบให้รู้นี่เป็นอิทิยาบทย่อยๆซอยเข้าไปอีกแม้แต่ความคิดก็เป็นอิทิยาบทเป็นอิทิยาบทภายในเป็นการเคลื่อนไหวภายในให้จับอาการเหล่านี้แต่เนื้อหาก็คือให้รู้แต่อย่ารู้อะไรตรงนี้นั่นสอดรับกับเนื้อหาของสติ ป, ปัฏฐานสี่ หมายความว่ารู้แต่เธอนั้นไม่ยินดียินร้ายต่อโลกทั้งผองคือไม่เอาอะไรจากการรู้เลยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสู่พบชาติใดๆฉะนั้นกลายเป็นการรู้เฉยๆถ้าไปเพ่งเอาคือยกแขนให้รู้นี้ก็จะติดทันทีไม่ได้ถือเอาร่างกายเป็นเพียงฐานที่ตั้งของการปฏิบัติ แล้วไม่ยินดียินร้ายความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี้เป็นตัวปลดปล่อยมันจะนำไปสู่สภาพไรนิมิตสิ้นนิมิตคือรู้แต่อย่าให้รู้อะไรอย่าให้ซ้อนความคิดถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจตรงนี้ก็จะเข้าใจทั้งหมดในสติปัฏฐานสทีนี้ทำไมถึงต้องเป็นกายานุปัสนากร ที่จริงจับจิตตานุปัสสนาก็ได้แต่ว่าถ้าคนยังไม่เห็นความคิดก็จะพัวพันอยู่กับความคิดตลอดเป็นความคิดของจิตเป็นอาการทางจิตซึ่งซับซ้อนจนผู้ใส่ใจเกิดความคิดดูเหม็นดูแคลนต่อการภาวนาเช่นนี้เช่นการปริกมือซึ่งไม่เกี่ยวกับความคิดคนที่ยึดติดในความคิดจะเกิดเหม็นแคลนเพราะอันนี้ไม่เกี่ยวกับความคิดที่เขาอยากจะคิด ดังนั้นกายานุปั ส, สนาจึงเป็นอุบายเพราะชีวิตปรากฏอยู่ที่ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ตัวร่างกายเป็นสิ่งใหญ่ที่สุดเห็นได้ง่ายที่สุดดังนี้เมื่อเริ่มฝึกเจริญสติที่กายจึงใช้ธรรมชาติของอีริยาบถซึ่งพิเศษกว่าสัตว์ประเภทอื่นใดๆมนุษย์มีรูปทรงที่กลมกลืนสูง ธรรมชาติได้ทำให้มนุษย์บรรลุความสมบูรณ์ทางด้านอิริยาบถการฝึกสติบนการเคลื่อนไหวของอิริยาบถ ท, ทั้ง4จึงเป็นบารฐานแรกคือฝึกสติอยู่บนฐานของการเคลื่อนไหวอิริยาบถไม่ใช่อิริยาบถ ท, ที่นิ่งซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาตินั้นมนุษย์นั่งนิ่งไม่ได้แม้ข้างนอกจะนิ่งแต่ข้างในเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทั้งหัวใจความคิดการนั่งนิ่งเป็นการสวนทางกับธรรมชาติจริงอยู่มันอาจเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตหรือพลังทางจิตได้โดยตั้งเจตนาไว้แต่มันสวนทางกับธรรมชาติพลังอันนั้นเป็นพลังที่ผิดธรรมชาติต่อให้เหาะได้ก็เป็นการผิดธรรมชาติถ้าเข้าใจผิดต่อตัวเองที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ เพื่อจะควบคุมธรรมชาติก็จะสแสวงหาพลังมุ่งเข้าสู่การสะกดตัวเองตามความเชื่อพยายามให้มันนิ่งลึกต้านธรรมชาติเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มพลังเท่านั้นแต่ผลกระทบหลังจากนั้นมันอาจตายได้เพราะว่ามันทำงานหนักแล้วก็น้าเหนื่อยผลลัพธ์สุดท้ายของผู้ที่สแสวงหาพลังเหล่านี้อาจเสี่ยงต่อการวิกลจลิต เจ็บป่วยหรือเสื่อมทรามฉะนั้นทัศนาที่ว่ามนุษย์ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติจึงจะปลอดภัยแม้ในช่วงต้นจะรุ่มรุ่มดอนดอนแต่ในบั้นปลายก็จะนำมนุษย์ไปสู่ความกลมกลืนกับธรรมชาติถึงคราวอยู่ก็อยู่ถึงคราวเจ็บป่วยก็ป่วยถึงคราวตายก็ตายนี่เป็นสิ่งสาคัญมากสตินั้น เป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์คือนึกคิดรู้ตัวได้แต่ถ้าความรู้ตัวนี้ตั้งฐานบนความนิ่งสนิทแล้วสแสวงหาพลังการได้มาซึ่งพลังต้องแลกกับการสูญเสียอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่าการรู้ตัวบนฐานของการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่ความกลมกลืนกับธรรมชาติย่อมจะอยู่รอดปลอดภัยนับแต่วินาทีที่มันเริ่มเดินทาง จากการสังเกตคนที่ปฏิบัติสองแนวทางซึ่งเป็นเรื่องสติเหมือนกันสติที่ตั้งอยู่บนฐานของการนิ่งนั้นพอนิ่งขึ้นมาจะก่อเกิดพลังแล้วใช้พลังนี้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาในทางทฤษฎีนั้นน่าจะเป็นไปได้แต่โดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติมันทำให้เราไม่เห็นกระแสความคิดยังไม่รู้จักอารมณ์ ถูกความคิดครอบงำมาแต่ต้นตั้งแต่เริ่มกระทำกรรมทุกชนิดการปฏิบัติธรรมถือเป็นกรรมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคือกรรมไม่ดำไม่ขาวหรืออริยมรรคสติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องของการคิดเอาแต่อาศัยความคิดและความรู้ตัวทันท่วงทีต่อการเกิดการคิดหรือการเคลื่อนไหวของอินทรีย์ต่างๆ ไม่ต้องรู้หนังสือสักตัวเดียวก็ได้ไม่ต้องรู้เลยก็ได้สัมผัสได้ทางจิตความรู้สึกตัวนี้แหละไม่จำเป็นต้องมานั่งนึกว่ามันเป็นอนัตตาได้อย่างไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจุดนี้ได้โยงมาสู่สิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ว่าเมื่อจิตสงบแล้วให้พิจารณาว่ามันไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เพราะมันเป็นอยู่แล้วเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นเองอยู่แล้วตรงนี้มาถึงทางแยกที่สำคัญคือพิจารณาด้วยความคิด